การทำวัดสวดมนต์ก ok> ็เป็นกิจวัตรประจำวันกิจวัตรสิบอย่างของนักรถนักบวชท่องบทสันธยาทำวัดสวดมนต์กวาดปัดกวาดวัดบาวาโบวชวิหารลานพระเจดีย์ศึกษาพระปริยัตสวดปาฏิโมกทบทวนสิกขาบททั้งหลาย ข้อท่งบนสาธยายพระสูตรต่างๆอย่างการทำวัดตอนเช้าตอนเย็นเนเป็นการทบทวนศึกษาพระสูตรพระสูตรคือธรรมะที่พุทธยอดแสดงไว้ในที่ต่างๆสั้นบางยาวบ้างแล้วแต่เหตุปัจัยแล้วแต่กรรมแล้วแต่วาระแล้วแต่ผู้ฟัง บางทีพระพุทยาท่นก็สแสดสัน้นบางทีก็ยาวแต่ความมุ่งหมายก็คือทำอยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนหลุดออกจากความคิดหลุดออกจากความปรุงแต่งไม่เข้าไปติดอารมณ์จมอยู่ในความมีความเป็นนานๆยังไรก็ตามถ้าเราสนุกกับการสวดมนต์เราได้ยินนะเวลาสวดมนต์บางคนสวดเสียงดังนะ พูดเสียงดังฟังชัดมีความไพเราะเพราะปิ้งอินไปกับการสวดมนต์อายุใพระศา ส, สนานี่ก็จะนานเหมือนกันเล่นเกมต้าคนไหนเล่นสนุกอายุมันอยู่นานมีความสนุกไปด้วยเพลินไปด้วยกับบทสวดเพลินไปกับกิจวัตรคนไหนก็ตามเบื่อพุทธพจน์เนี่ยเบื่อที่จะทาตามคาสอนของพระศาสดา เมื่อได้เบื่อพุทธพจน์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะจิตเราเนี่เบื่อในคําสอนของพระศาสดาเหนื่อยในไม่ชอบแต่ตามนั้ก็ตามที่เราชื่นชมพุทธพจน์พุทธพจน์บทนั้นก็เพราะพุทธพจน์นี้ี่ก็เพราะนั้นก็จะเหมือนเป็นสุตะนําไปสู่การปฏิบัติฟังนะเป็นสุตะจินตาก็คือน้อมนึกคิด ภาวนาก็คือการลงมือปฏิบัติการปฏิบัติน่แหละคือการลงมือทาปฏิเวทให้ปรากฏน้นถ้าหาว่าเราไม่เหนื่อยนายต่อกิจวัตไม่เหนื่อยนายต่อพุทธพจน์สัจธรรมก็จะปรากฏกับเราอยู่เรื่อยๆๆยๆๆๆย่างน้อยทุ๊มันก็จะลงลดลงนะทุกเนี่ยมันลดลงลดลงเรื่อยๆอยๆยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เราไม่ต้องหวังไปเอากับใครที่ไหนแต่เราสังเกตดูเรานี่แหละตัวเราเองเนี่ยจิตใจเราเอา้าวมันลดต่ำลงไหมติฏมานะราคาตระหนาไม่ใหม่จะเป็นนะเรื่องการฝึกฝนกันต่อสู้กั น, นิวรการมฉันทะพระเนี้ยแต่ว่าตัวพยาบาทเนี่ยดับยากกว่าตัวกามอีกแหละ คำมจฉ ก, ก็ดีแบบหนึง่งปยาปาถ้าพยายาทเนี่ยมันจะ ง, งดหงิด ต, ติดอารมณ์ไอ้ความสมคันมตนหมายในอัตราตัวตนเนี่ยมันจะอยู่นานอันเนี้ยอืมันไม่พยายาทแต่มันก็จะเป็นมานะความถือตัว ง, งดหงิดให้เพื่อนสะทำ ม, มิกเชียงชังคนนั้นไม่เช่าคนนี้ด้วยเนี่ยจิตอันเนี้ยเขาเรียกว่ามานะมันเป็นอัตราแบบหนึ่งก็คือติดในภพนะ ออกจากกรรมได้ก็ออกจากความใคร่ความใคร่ความอยากมันปรากฏชัดกว่าแต่ความมีความเป็นความเข้าไปอยู่ในอารมณ์ในรูปประพบเนี่ยในภาวะตัณหาที่เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนเนี่ยมันออกยากมันมีความเพลินมันความสนุกสนานอคนนั้นว่าอย่างนั้นก็ไหลไปตามคนนั้นคนนี้ว่าคนนี้ก็ไหลไปตามคนนี้ คือมันไม่ซื่อไม่ตรงต่อสัจธรรมเป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ที่มันจะอยู่แบบมีความซาบซึ้งตรึงใจใครว่ายัางไงก็ตามนะไม่เอาอืเหมือนคนทั้งโลกเนี่ยจะไปประชาธิปไตยก็ไม่เอาประชาคอมมิวนิสต์ก็ไม่เอาเนี่ยเนียแบบไหนก็ตามน่ะไม่เอาทั้ง น, น, นั้นเอาแบบไหนอะไม่เอาอะไร เพราะในความเอาความเป็นก็รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนมันต้องสร้างสร้างความชอบแล้วก็สร้างความชังอันแบบหนึ่งขึ้นมาแต่จิตเรานี่ไม่ได้สร้างความชอบความชังอันเนี้ยสร้างความรู้สร้างองค์แห่งความรู้องค์เคกว่าอย่างเราเคยศึกษามาว่าโพดชงอัเนี่ย องค์แห่งการตัดสรุนนี้ของเราองค์แห่งการรู้แจ้งฝึกฝนอบรมจิตให้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆความคิดความปรุงแต่งอะไรที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเราเข้ามาดูมาศึกษามันสุกพยายามบางทีบางคนปฏิบัติทําก็มีสุขนะแต่พอมีสุขก็บางทีก็ติดทุกข์ทุกข์เพราะอัตตนี่แหละภวะตัณหาเนี่ยออกไม่ได้ มันเป็นอบบ น, นี้สักพักก็ติดวิภาวาตัณหาแต่เราไม่เคยคิดนะว่าสิ่งนี้เราคือหน้าที่อะไที่เราจ้างต้องจัดการกับมันนะ่ส่วนมากเราไม่ได้สนใจไม่ได้จัดการกับมันพอติดอารมณ์เราก็หนีพอหยดอารมณ์เราก็คิดมากบางทีเราก็เบือ่อไม่ชอบอะไรประมาณนี้คือเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์แล้วนะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏเกิดขึ้น ก็ถือว่านี่แหละคือการบ้านของเราเองการบ้านที่เราจะต้องเรียนจะต้องศึกษาต้องขีดต้องเขียนต้องอ่านให้ออกทำให้ได้นาไปสู่ภาวะของความเป็นอนัตตาให้ได้อนาตตาที่แรกอาจจะเป็นใจว่างๆใจว่างๆจิตว่างๆแต่ยังไม่ถึงกับว่างเองโดยธรรมชาติว่างเองโดยมรรคโดยผลโดย ชาดวยอะไรนี่จ้ะนั้นก็มาเรียนรู้มันให้มันเห็นแก่นมันชัดๆสุขอาจจะเคยมีพอเคยมีแล้วมีความรู้สึกนะเป็นตันหายแบบมันก็อยากมีอ่ะเคยมีแล้วอยากมีเคยเป็นแล้วอยากเป็นทางโลกนะเคยมีตาหูาจมูกรูปรถหินเสียงมันก็อยากมีอีกแต่ทางธรรมนี่เคยได้อารมณ์มันก็ยอยากได้อารมณ์เคยเห็นอารมณ์ก็อยากได้ อยากได้ก็เป็นทุกข์นะเป็นก ร, รมตัณหามีความใคร่ความอยากธรรมกาโมพระวังโหติผู้มีความใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญใคร่ในธรรมคือเป็นผู้สนใจเป็นผู้ฝึกฝนผู้อบรมจิตตัวเองอยู่อย่างสม่าเสมอต้องเป็นความใคร่นะธรรมกา ม, มูใคร่ต่อความถูกต้องใคร่ต่อสัญชธรรมเป็นผู้เจริญ ถ้าคนไหนมีความใคร่ในสัจธรรมจะเป็นผู้เจริญถ้าคนไหนขี้เกียจก็ยากนะมันก็ยากมันเหมือนกับต้นไม้ผลไม้ที่โตขึ้นหลายวันหลายเดือนไปแต่ว่ามันไม่มีมันไม่ออกดอกออกผลถ้ดูฝนตกมันก็ออกดอกนะเวลาฤดูแล้กแงก็แห้งสลัดใบนะเหมือนใกล้ตายบางที แต่ธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกคือเบอิกบานตลอดไม่เลือกลาเดือนไม่เลือกวันเวลาไม่เกี่ยวกับฤดูไม่ใช่ฤดูหนาวจึงจะงอกฤดูร้อนฤดูฝนไม่งอกไม่ใช่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการถ้าถามว่าชีวิตเราเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นไหมมันให้ผลได้ไม่จํากัดการไหมสัจธรรมที่เรามีบางทีมันก็ไม่ให้นะเพราะอะไรเพราะ อุบายทำทั้งหลายที่จะช่วยประคองจิตเนี่ยเรามันมีน้อยอย่างเช่นกนารสวดมนต์สาธยายการทํากิจวัตรอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความขี้เกียจขึ้นมาพอทำไปสักพักมันก็เหมือนเราปฏิบัติทำมาแะตัวไหนได้อารมณ์ดีแล้วก็หมั่นก็ขยันแต่พอช่วงไหนมันไม่ได้อารมณ์ก็เบื่อนายเหนื่อยนายไม่อยากทํา เ, เพราะอะไรเพราะว่า เราไปสร้างความหวังเอาไว้ว่าหวังต้องได้ต้องเป็นถ้าหวังต้องได้ต้องเป็นเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ทันทีมันเป็นปัญหาเวลามันไม่ได้สมจัใจอยากมันเป็นทุกข์แต่เราไม่ได้ทำให้มันถูกกับความอยากเราอันเนี้ยเเรียนหนังสือนี่แหละถ้าเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ได้เป็นสุขภายในวันเดียวนะกล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาก็เป็นไปฉันนั้นนะแต่ออกดอกกระาดางามเด่นการศึกษาก็เช่นนั้นนะเสร็จแล้วแสนงามแต่ชัานที่หกท่านแต่งเอาไวนะ้นะการศึกษาที่ถูกปลูกปั้นเสร็จแล้วนี่แสนงามบเหมือนกันนะการศึกษาทางโลกก็ศึกษาใช้คำว่าศึกษาเหมือนกันแต่ ท, ทั้งธรรมมันจะลึกหน่อยคาว่าศึกษาทางธรรมก็คือทาจิตเราเองให้มี ศีลมีสมาธิมีปัญญาเขาเรียกว่าสิกขาสามนะสิกขา3าสิกขาคือศึกษาสามอยา่างศึกษาทำไงจิตจึงจะเกิดศีลศึกษาทาําไงจึงเกิดสมาธิศึกษาทำไงจึงจะได้ปัญญาเอาไปทําไมเอาไปแก้ทุกข์ให้กับตัวเองนั่นแหละแต่นั้นกิ จ, จกรรมยี จ, จวัฒน์ทั้งหลายก็ช่วยประคองใจถ้าคนไหนขี้เกียจ อายุงานมันจะสั้นลงอ่ะอายุจิตเนยจะสั้นลงสั้นลงบางทีเราไปทําอย่างอื่นซะนะไปทําอย่างอื่นนี่มันเพลิดเพลินไปอะแต่ว่าไม่ได้มุ่งเน้นที่นิวรณ์เราทยนั้นทุกนี้ก็ยังมีอยู่มันก็ทํางานอยู่เรื่อยๆทํางานอยู่เรื่อยๆถ้าทุกมันทํางานวัตปสงสารมันก็หมุนเนะียถ้าสังสารวัตรมันหมุน ใจเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะถ้ามันหมุนทีไรมันก็หมุนเข้าไปในอยู่ในการมาพบรูปพบรูปพ บ, พบเหมือนเดิมติดอยู่ในอารมณ์กามอารมณ์อยากเป็นอารมณ์อยากได้อารมณ์เหนื่อยนายอยากหลบอยากเลิกเนี่ยเป็นอย่างนั้นทันทะีนะแต่เราไม่รู้นะบางทีทำอะไรสักอย่างมันอยากเลิกบางทีมันไม่เสร็จนะแต่มันก็อยากเลิก มันเบื่อหน่ายมันอะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่าเบื่อหน่ายนี่เพื่อจะทำอะไรกันเพื่อพุทธธรรมนี่คือเขาให้เห็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็เห็นว่าเบื่อหน่ายเป็นอาการอย่างหนึ่งไม่ใช่สัจธรรมเกิดแล้วมันก็จะดับไปเองแต่เราไม่ค่อยรู้โอ้อันนี้มันเป็นสัจจะเนาะถ้าเราตั้งใจดูเนี่ยเราจะเข้าใจสมุทัยของปัญหาของทุกข์จริงๆแต่จิตมันไม่เอาด้วยอะ มันเบื่อหน่ายไม่ชอบมันยัอยู่เฉยๆฉยมันยังไม่เข้าไปปรุงไปแต่งไปศึกษาไปเรียนรู้อะไรทั้งนั้นเหมือนจิตติ ด, ตดขี้เกียจอะไรประมาณนี้นั้นตราบใดก็ตามที่สติสัมปชัญญะเรามันยังมีน้อยในตัวตนมันจะทำงานของมันมันจ ะ, จะเจริญเติบโตมันจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆรืๆอ ย, อ ย, อยในที่สุดทุกอย่างก็กลายเป็นถูกหมดนะ่ะทุกอย่างกลายเป็นใช่หมด สิ่งที่ไม่มีตัวตนกับถูกสร้างขึ้นมาแบบเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่มีไม่มีตัวตนแทนที่จะไม่มีตัวตนมันก็เป็นตัวตนนะนะเป็นตัวทุกข์นะั้นคำสอนพระพุทธเจ้านี่แปดหมื่นสี่พันพรทธรรมขันเนี่ไม่ต้องไปรเรียนรู้เยอะนะนะไม่ต้องไปรเรียนรู้ให้มากมายหลากหลายเอาจากบทสวดมนต์ธรรมวัดนี่ก็เหลือแล้วอืม แต่ของเรานี่มีพระสูตรต่างๆมีหัวข้อธรรมะในบทนั้นบทนี้เราเอามาสูตรมาสวดกันท่านพูดไว้ตรงโน้นตรงนี้บทไหนที่มันกินง่ายๆเข้าใจได้ง่ายเราเอามาสู่กันสวดสาธยายอันไหนที่มันยากพูดเรื่องนะั้นเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่ใช่คําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปอย่างหลวงพ่อพุทธตาตําโมพระไตปิฎกเนี่ยน่าจะมีสัจธรรม คำสอนพระเจ้าจริงๆเนี่ยประมาณอยู่แปอยู่สัก30อีก 70% นี่คือการเพิ่มเติมเข้ามาเนื้อหาสาระนะเป็นส่วนประกอบฉะ น, นั้นอันนี้เข้ามาเยอะแยะแต่เป็นพุทธพธจน์จริงๆนี่จะประมาณ 30% เอซนะนั้ น, นอกจากคำอุปมาอุปไ ม, ปมแสดงสถานที่เวลาในประกอบกันเข้าไปด้วยยย่งปัจจุบันในียยิ่งคำสอน พระพจ้าพระเตยิโดเนี่ยเขาจะพ่วงเข้าไปด้วยอือัตถกถาถนะอัตถกถาคือแปลสับแยกแปลสับแยกแปลด้วยอัดคือเอาไว้ในที่เดียวกันเล็บ ม, มันก็เลยหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะพระไตยพิโด ก, ก็เลยกลายเป็นเรื่องยืดยาวมากมายถามว่ามันดีอะไรยังไงว่าะจะให้ดีที่สุดนะพระเตยพิโดเนี่ยคือการอ่านใจตัวเองนั่นแหละ อ่านใจตัวเองทุกวนันมันเหมือนการบ้านนะอ่านความสงบนี่มั น, มนเกิดจากอะไรสงบเนี่ยปิติสุขเอา้าเกิดจากอะไรผส ม, มอะไรว่าเป็นอันนี้แต่ถ้าเรามาอ่านเหมือนอ่านฉลากยานี่เราไม่ได้กินยานะอ่านแต่ฉลากเป็นเฉยๆนั้นก็เป็นโอปัญญิโก้พระมวลานุสศาสนีคําสอนที่ท่านทุกสอนมากก็คือ รูปปิจนาสัญญาสังขารคือขันห้าเนี่ยเป็นอนิจจังนั่นเองอืมสันห้าเป็นอนัตตารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเนี่ยก็เท่าเนี้ยเรียนรู้จากอันนี้จากบทสวดบนธรรมวัตเนี่ยพระหูลานุศาสนีคำสอนศาสนีคือคำสอนพระหูลาคือคำสอนที่เป็นไปส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าเนี่ยคำสอนที่สอนมาก รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังรูปเป็นอนัตตาทีนี้ก็มาเรียนรู้มันดิมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตายังไงตรงไหนเนี่ยถ้าศึกษาเรียนรู้เยอะๆมันก็จะเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ศึกษามาเฝ้าดูเนี่ยคําสอนพุทธเจ้าเขาจะติดอยู่กับรูปภายนอกนะติดอยู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินคําสอนพุทธเจ้าจะไปติดอยู่กับนิทานอันนี้ แต่ที่จะมาติดอยู่กับปรมสราสภาวะประมาสกับจิตกับใจเราก็มันก็ไม่ติดนะมันจะถูกฝังอยู่ในนิพานนิทานเวลาเราฟังนิทานทเยอะๆก็เหมือนเ ข, านะข้าใจพระอาจารย์พุทธเจ้าเล่าเรื่องนิเรียบ์ปรนั้นอันะนี้จริงๆพุทธศาสนาเนี่ยแก่นของคําสอนพุทเจ้าไม่ใช่นิทานไม่ใช่ปรชัชญานะนะแต่เป็นนิพานเป็นวิมุตต์วิโมกอืความหลุดพ้น แต่ทำยังไงจึงจะดูมันออกว่าออคาสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ปัชยานะไม่ใช่นิทงนิทานนะนั่นก็แสดงว่าสมาธิจิตเราต้องดีนะถ้าสติสมาธิมันดีการดูมันก็จะง่ายขึ้นนะการดูสัจธรรมเนี่ยการรู้การเห็นเนีจะง่ายขึ้นและจิตเราก็าจะเยอมเริ่มยอมรับว่าในส่วนของสัจธรรมที่เป็นเรื่องลึกๆเนี่ยโอ้ ปัญหาได้จากอันนี้เนาะนี่นะจากการเข้าถึงเนี่ยดังนั้นทุกวันทุกวันการมาเฝ้าดูใจตัวเองก็คือการภาวนาการมารับรู้ตัวรู้สึกตัวก็คือการภาวนาการเห็นความคิดอยู่บ่อยๆก็คือการภาวนาการรู้เรื่องกายแล้วเฝ้าดูกายดูเวทนาดูความคิดดูธรรมารมณธรรมารมณ์นี่มันเห็นยากนะ ธรรมารมณ์เนี่ยดูกายพอเห็นดูเวทนาก็พอเห็นอืมดูจิตก็พอเห็นตนัวธรรมารมณ์ธรรมา ร, รมณ์คืออารมณนะ์ธรรมะนะธรรมารมณ์เนี่ยมันต้องผ่านเรื่องการรู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วก็เห็นตัวตรรตัวธรรมารมณ์ทีแรกก็เป็นหยบหยาคือตัวนิวรณนไงธรรมารมณ์ทีแรกเป็นนิวรืมแต่พอดับนิวรณ์ปุ๊บจะเริ่มเห็นขันห้า เห็นขันห้าเป็นยังไงอ่ะนะเห็นรูปเป็นยังไงวีนาสัญญาสังขารเห็นว่าเป็นยังไงเอาจากขันห้ามาก็จะเห็นเรื่องของจิตที่มันผูกพันคือตาทุกข์เพราะตาบางคนทุกข์เพราะตาเห็นแล้วเป็นทุกข์มันมีความรักความชังทุกข์เพราะตาเดี๋วก็ทุกข์เพราะหูเนี้ยตาหูจมูกเล่นกายเป็นทุกข์ทันทีนี่เขาเรียกว่าทุกข์ ที่เนื่องโดยอายตนะแต่ถ้าไม่ดูไม่เห็นก็ไม่ทุกนะนะไม่ได้รับรู้ก็ไม่ทุกก็ใครว่าเดี๋พอเดินยบกลุมได้ดตงนั้นคนที่เข้าใจปรมาภิแล้วนี่จะมีความสำรวมไงนะสำรวมเพราะเขารู้จักรู้จักภาวะของศีลปรากฏเกิดขึ้นกับจิตว่ามันมีความจําเป็นนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเราก็รักษาจิตเราไม่ได้ ไม่มีสีในรักษาใจไม่ค่อยได้นะมันหลุดเรื่อยนั่นแสดงว่าคนเนี้เห็นทุกข์ที่เกิดจากใจที่เกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากผัสสะเรากุณโอแล้วฝึกจนกระทั่งว่าผัสสะทางอเยตนะมันดับไปได้นั้นมีความไม่ติดอารมณ์กับรูปรสกลิ่นเสียงนะขับตาหูจมูกลิ้นกายใจอืถ้าปฏิบัติได้ส่งผลได้ชั่วครู่ชั่วขณะสักระยะหนึ่งสติก็จะแข็มขึ้น เขาจะเคยเห็นแปลว่ามาเห็นธรรมะที่เรียกว่าโพชงเนี่ยคือมันเป็นอารมณ์กรรมฐานนะั้สติปัฏฐานเนี่ยคือโดยตัวเขามันหลักในอันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเป็นการเห็นแจ้งในตัวของมันได้ฝึกอันใดก็ได้เป็นอันนั้นนะ่ะหรือมองในภาพรวมก็คือเหมือนกับดูตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมันเป็นธรรมชาติเลยจนจบเลยนะเป็นขั้นเป็นตอนของมัน ทั้งเดิมเนี่เป็นบันไดเจ็ดขั้นก็ได้นะหรือศึกษาอันใดอันหนึ่งก็จะไปทั้งหมดก็ได้อืเนมะื่อเราเรียนรู้เรื่องยาเนี่ยเนี่ยพอเรียนรู้เรื่องยามันเข้าใจได้หมดอนะ่ะยานี่รักษาอันี้ต้องผสมน้ําเท่าไหร่อะไรยังไงไปยังไงคือไม่ได้เรียนรู้โดยธรรมชาตินั้นคุณจะอยู่ในโลกนี้คุณก็ต้องรู้วิธีกินข้าวให้เป็นนะ กินข้าวเป็นก็ต้องกินยาให้เป็นรู้จักพักผ่อนให้เป็นรู้จกักเนี่ยมันรวมไปหมดเลยการที่อยู่ในเนี้ยเหมือนกันการที่เราจะอยู่ในธรรมในธรรมในธรรมมันก็ต้องเรียนรู้ว่าที่จะฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ที่จะพัฒนาสติสัมปชัญญะให้มันมันคงเข้มแข็งขึ้นว่าถ้าหาไม่แล้วมันก็อย่างหวามันก็หลุดง่ายเหมือนเราเบื่อหน่ายนีเราไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินข้าวมันก็ไม่จเจริญ ไม่อยากกินเข้าโรคไปแค่เจ็บก็ามาอถ้าไม่อยากจเจริญสติเอาทุกข์ขึ้นแต่ดียะทุกข์มันก็จะตามมาทุกที่เกิดจากความอึดอัดเบือ่อใดเกิดจากความปรุงแต่งวัเนี้ยมันจะมาแตดีเลยความเจ็บไข้ได้ป่วยทาง อ, รอารมณ์มันมานะแต่ก่อนเราไม่รู้นะมันมามันไปยังไงเราดูไม่ออกแต่พอเราเข้าใจสัจธรรมเนี่ยเราจะดูออกเราจะเข้าใจมันโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะมันมาอย่างนี้นะมันไปอย่างนี้นะ ดูมันออกมันเข้าใจคนไหนที่เรียนรู้สัจธรรมบ่อยๆคนไหนไม่เบื่อไม่ไนนะคนนั้นก็จะมีความเจริญนะธ ร, รมมะกาโมผะวังโหติสวิชานพผวังโหติเขาใช้คว่าผะวังผวังผวังอยู่ในผะวังอยู่ในห่วงแห่งการศึกษาห่วงแห่งการมีความรู้ดีสุวิชานพผะวังโหติ โมติคือย่อมเป็นย่อมมีย่อมได้คนไหนมีทมอยู่ในตัวเองศึกษาธรรมะดีๆสุวิชาโนเอา้าสามารถอยู่ในห่วงอยู่ในภวังแห่งการเรียนรู้ศัจธรรมจิตใจมันผ่องใสมันเบิกบานจิตมันตื่นความทุกข์มันไม่มีมันมีเพราะอะไรเพราะว่าเราเรียนรู้ศึกษามันก็แค่ว่าเราอ่านมันออกได้ทุกบท มันจะเขียนบทไหนมาเราก็อ่านออกเขียนบทไหนมาเราก็อ่านออกอ่านทุกทุกตัวได้ทุกก็มี ม, มีแต่ถ้าอันนั้นก็อ่านไม่ออกอันนี้ก็เรียนรู้ไม่ไดอนนอ้อันนี้ก็ง่วงอันนี้ก็เงาอันนี้ก็เบื่อเอา้ามันทุกนะอันเนี้ยนะมันทุกแต่นั้นพุทธพจน์นี่ช่วยเราเยอะแยะเลยนะพุทธพจน์จะช่วยเราอย่างเยอะแยะเลยอการเรียนรู้การศึกษาในวัดปฏิบัติทั้งหลายนะ ช่วยให้เราทำลายความเห็นแก่ตัวนี่ออกไปได้สมัยก่อนเนะี่ยหลวงพ่อพุทธทรมท่านทำเรือเรือนาวาวเรือคือนั่นแหละที่ตึกลมหอศพวิญญาณนะทำเรือก็ไปล้างหินมาผสมดินผสมทรายทุกวันพระแปดค่ำต้องทำงานทุกวันพระสิบห้าค่ำจนมีปาตกรถาหนึ่งว่า ใช้เหงือแทนน้ำมนต์รถตัวเองใช้เงือแทนน้ำมนต์ลดตัวเองถ้าเงือออกเมื่อไหร่ธรรมปรากฏเกิดขึ้นนะตำตุกว่าทุกวันหลวงพ่อเทียนเคยไปอยู่ไปอยู่ก็ต้องไปล้างหินไปล้างหินล้างหินเนีแยเห็นให้มันสะอาดไม่เ้องมาผสมเลยนะต้องไปคนใส่ปูนใส่อะไรต่างๆหลวงพอ่อหมาบวทองหลวงพอ่ออะไรเนี่เคยไปอยู่เนะ ไปศึกษากับท่านสมัยก่อนไอจารยนสมใจสมใจที่เพิ่งตายนะที่วัดสมมนัสเราเนี่ยปีสามสี่นะเขาศึกไปปีสามสี 3, 1, ่ปีสามหนึ่งถึงปีสามสเขาอยู่ที่เนี่ยาจานสมใจนี่ก็เป็นนักเทศนะ์นะเทศเก่งแต่ก่อนมันมีหัวกระจายข่าวอยู่ที่ต้นะเะดาเนี่ยซุ้มต้องตาขุดไปทำเสาไฟฟ้า ตื่นเช้ามานี่เขาเปิดเทพแล้วเขาทำวัดสวดมนต์อะไรประมาณเนี่ยก็เป็นพระผลผลิตจากสวนโมกนะสวนโมก ค, คือคนไปเรียนรู้มาจากที่โน้นได้รับแนวความคิดได้รับอะไรต่างๆอิทธิพลคำสอนก็จะมาสอนต่อพระปฏิบัติแต่เนืเ่องจากว่าวิธีการปฏิบัติทำเนี่ยมันไม่ง่ายนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านเกิดจากการฝึกฝนการปฏิบัติตัวเองเข้าใจท่านสอน นี้ถ้าคนเป็นไปอ่านศึกษาตำรับตาราท่านแต่ไม่ได้ปฏิบัติทำแบบอุกฤษเหมือนท่านเนี่ยอันนี้ก็จะยาคือมันได้แต่ความรู้แต่มันไม่ได้รู้ตัว น, นั่นเองแต่วิธีลงพระเถียนเนี่ยก็จะง่ายง่ายตรงไหนตรงที่รูปแบบมันไม่สลับซับซ้อนคำสอนก็เป็นคำสอนที่เหมือนปลอกเปลือกให้แล้ว ก็เรียนรู้ง่ายเราไม่ต้องมาวิเคราะห์วิจงวิจารอะไรเลยอย่างเช่นการทำความรู้ตัวเราก็รู้ตัวเยอะๆเลยประคองสติสัมปชัญญะพัฒนาให้มันมากขึ้นมากขึ้นปัญญามันก็เกิดได้เกิดตอนไหนก็คือสามารถเห็นทุกได้สามารถปล่อยวางทุกได้เนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักอนิจจังรู้จักอนัตตาทันทีเลย คือเห็นทุกข์ได้ปล่อยวางทุกข์ได้ใจมันก็ว่างไม่หนักตรง น, นี้แหละที่เขาเรียกว่าเกิดปัญญานะนี่ถามว่าเราปฏิบัติทมเราเกิดปัญญาไหมมันปล่อยได้ไหมมันวางได้ไหมถาม้านมาปล่อยวางไม่ได้มันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาก็เป็นทุกข์นะเราก็ต้องจมอยู่ในความคิดความอยากของเราเองถามว่ามันสุขไหมมันไม่สุขนะทุกข์ไหมบางทีไม่รู้จักด้วยซ้าไปว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยนั้นต้องมาเรียนรู้เฝ้าดูมัน จะเหนื่อยหนายแค่ไหนก็ตามนะเราไม่หยุดการอา่านการเรียนรู้ทำอยู่บ่อยๆแต่ถ้าทำแบบง่วงแบบเหงาแบบอะไรต่างๆเนี่ยล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการนอนอยู่ในที่นอนเหมือนเดิมนะนะถ้าเราไม่สู้มันเนี่ยมันเหมือนกับเรานอนจมอยู่ในที่นอนนะออกมานั่งหลับฉันต้องให้มันเป็นคนที่ตื่นอยู่อย่างสม่สำเสมอตื่นตัวตื่นรูนะ้หาปัญญามาใช้กับชีวิตเราให้ได้นะ แล้วทุกมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกวันนะ่ะพราเราเรียนรู้ทุกวันศึกษาทุกวันนะเออตัวอารมณ์ตัวนี้มันติดอารมณ์แล้วเนี่ยเมื่อไรมันจะออกสักทีทนาะเนี่ยนะอมันไม่ค่อยออกบางทีติดอารมณ์กับเพื่อนสะร ม, มิกอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะผู้ดใดก็ตามยังปฏิฆะ ง, งุนหิดกับเพื่อนสะร ม, มิกอยู่บุคคล น, นั้นจะห่างไกลจากพระสัทธรรมเหมือนฟ้ากับดินนั้นจะไปเกลียดคนนั้นจะไปชังคนนี้ เพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าไปในอารมณ์แล้วนะมันสร้างพบสร้างชาติอะไร เ, ไเราเข้าไปเราก็ไปเป็นเพราะเป็นทุกวันมันก็เป็นทุกข์ดินะฉั้นอย่าให้มันเป็นทุกข์อย่าให้เป็นทุกข์ชีวิตที่เหลืออยู่อไม่รู้ว่าใครเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าอย่าให้ชีวิตนี้เป็นทุกข์ถ้ามันทุกข์ขึ้นมาเราก็เป็นรู้เท่าทันมันความรู้ทั้งโลกอาจจะไม่เหมือนกันนะครามรู้ทั้งโลกเนี่ย อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันบ้างเอา้าจะทํามา น, นี้คนนี้คิดว่าอันนั้นน่าจะทําก่อนอันนั้นน่าจะทําหลังคนนี้ทํามานั้นดีอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานีแล้วแต่ว่าทักษะคนเรียนรู้อะไรมามากเขาก็เข้าใจนะแต่ถ้าทางปฏิบัติทำรรเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันอริยรรสัจสีคือต้องสติได้ ล, ลึกรู้ดูให้มันชัดเจนนะทุกข์จึงจะหายถ้ากั้นมันไม่หายมันไม่คลายเพราะมันไม่คลายมันก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ย นั่น่าได้ตนีอย่าได้ขี้เกียจขี้คลานนะมันขยันที่จะทำให้ตัวศีลตัวสมาธิมันปรากฏตัวภาวนาตั้งมัน่นนะถ้าทำได้อย่างนี้ทุกข์มันน้อยอ้านะนะอนุโมทนานะ